อันหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในหมู่มนุษย์ใดๆย่อมครอบงาสัตว์อื่นในหมู่สัตว์นั้นนั้นแปลว่าถ้าท่านเกิดเป็นเป็นสัตว์ใดโดยมากเป็นหัวหน้าเนี่ยนะก็คือจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำตลอดนะจะจะครอบงาจะมีอำนาจสั่งการได้จะมีอนาจเป็นผู้ที่มีอำนาจนะเป็นผู้ที่ครอบงาสัตว์อื่นสัตว์อื่นนั้นจะอยู่ใต้อำนาจของท่านคือท่านเป็นคนดีนะเนื่องจากว่า ท่านเป็นหัวหน้าในการกุศลทุกชนิดท่านก็เลยเป็นผู้ที่มีมีบุญเป็นผู้ที่มีอำนาจครอบงำสัตว์ทั้งหลายแต่อำนาจของท่านนี้ไม่ใช่อำนาจเพื่อเอาไปทำความชั่วไม่ใช่ท่านมีอำนาจเพื่อเอาไว้ฆ่าไม่ใช่ท่านมีอำนาจเพื่อการายึดทรัพย์ทุจริตคอรรัปชันคดโกงเป็นต้นไม่ใช่ท่านมีอำนาจข่มเหงกดขี่บุตรภรยาของผู้อื่นไม่ใช่มีอำนาจแล้วก็ด่าหยาบหยาบยากับ ผู้อื่นไม่ใช่มีอํานาจแล้วให้คนอื่นเนี่ยเอาเล่าเป็นต้นมาบํารงบําเรอไม่ใช่แต่ว่าเป็นผู้อํานาจขม่มคนที่ควรขม่มนเะนี่ยนะตำหนิคนที่ควรตําหนิยกย่องคนที่ควรยกย่องก็เรียกว่าเป็นคนที่ให้ความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายได้เนี่ยนะเป็นคนที่ยกย่องอเชิดชูคนอื่นได้แล้วก็ใครที่เป็นคนที่เลวร้ายเป็นคนที่ไม่ดีท่านก็ขม่มเนี่ยนะขม่ม เพราะฉะนั้นท่านนั้นจึงเป็นพลที่มีวัฒน์งามมียศมีทั้งบริวารยศเป็นต้นท่านเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่มีกําลังมีอธิปไตยอันยอดยิ่งอธิปไตยนี้แปลว่าความเป็นใหญ่เนี่ย น, นะคือท่านเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นคนใหญ่เพราะประกอบด้วยคุณวิเศษคือท่านมีคุณธรรมประจําตัวเนี่ยมากมายท่านก็เลยเป็นเป็นใหญ่ ถามว่าแล้วสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรปอกเป็นผู้ที่มีอาภาษน้อยก็คือสุขภาพดีแข็งแรงะนะโรคน้อยก็คือโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นไม่เบียดเบียนไม่ใช่เป็นคนมีโรคประจําตัว ส, สะเก็ดสเงะอะไรเนี่ยไม่มีแล้วศรัทธาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นก็บริสุทธิ์ดีแปลว่าศรัทธานั้นเป็นศรัทธาที่ไม่มีอะไรแอบแฝงั้นท่าน เป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่แอบแฝงไปด้วยตัณหามา n a tithi อะไรเป็นผู้ที่มีความเพียรด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยนะความเพียรของท่านบริสุทธิ์หมายคาะว่าความเพียรของท่านนั้นไม่ได้เป็นความเพียรที่ขยันโง่เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่เป็นลักษณะกลุ่มขยันโง่ขยนัขยนแล้วผิดทางขยันสร้างแต่ปัญหาเป็นต้นไม่มีเพรผลความภาคเพียรพยายามของท่านนั้นบริสุทธิ์สะอาดหมดจด เป็นผู้ที่มีสติสมาธิและปัญญาด้วยอยู่ด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยนะก็อินทรีย์5ท่านบริสุทธิ์ศรัทธาก็บริสุทธิ์ความเพียรก็บริสุทธิ์สติสมาธิปัญญาก็บริสุทธิ์เนี่ยนะแปลว่าปราศจากความหม่นมองขุนมัวด้วยอํานาจบาปอากุศลปราศจากความขุนมัวด้วยโลภะโทสะโมหะปราศจากความขุนมัวด้วยความกโกรธและความผู ก, กโกรธเป็นต้นโดยปกติแล้วเป็นคนที่มีกิเลสเบาบาง ใชว่ากิเลสเบาบางก็แปลว่าท่านไม่ค่อยป่วยทางความคิดเท่าไหร่เนี่ยนะความเจ็บป่วยทางความคิดไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างก็เล็กน้อยเนี่ยนะก็คือไม่ค่อยป่วยทางใจนะราคาเป็นเหตุให้ป่วยราคาอาจจะมีบ้างแต่ก็ค่อนข้างเบาบางถ้าเทียบกับคนที่มีราคาชุ่มเนี่ยนะโทสะก็มีแต่ว่าเบาบางโมหะก็มีแต่ก็เบาบางเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านไม่เศร้ามองแบบคุณมองหมนหมอง คุณมัวอยู่ตลอดเวลาไม่แต่จะมีบ้างก็เบาบางอาจจะอักเสบทางความคิดแต่นิดหน่อยเพราะ ง, งั้นไม่รุนแรงเลยนะไม่รุนแรงแล้วก็เรื้อรังที่เสียหายเป็นคนที่มีความกระวนกระวายน้อยมีความเร่าร้อนน้อยก็คือไม่ใช่เป็นคนที่เร่าร้อนร้อน ร, อ น, รอนกระวนกระวายอุดอิดเครียดหงุดหงิดลำคาญเป็นตน้นไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นมันก็ถือว่าชีวิตที่มีความสุขพอสมควรเลยแหละ เป็นคนที่ว่างง่ายเพราะมีกิเลสเบาบางนะคนที่มีกิเลสเบาบางเนี่ยนะจะเป็นคนที่สอนง่ายคำว่าสอนง่ายในที่นี้หมายถึงว่ากาลยานมิตรบัณฑิตทั้งหลายนะมีครูบาอาจารย์เป็นต้นผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายว่ากล่าวแนะนำตักเตือนก็แนะนำได้ง่ายไม่เหมือนคนขี้โกรธเนี่ยคนขี้โกรธเนี่ยพ อ, อคำแนะนำขอแนะนคนโกรธก็แนะนำยาก คนที่เต็มไปด้วยความโลภ ก, ก็แนะนํายากเี่าว่าคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้อย่างเดียวเนี่ยนะก็เป็นคนแนะนํายากพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นผู้ที่แนะนําง่ายเพราะท่านเป็นคนที่ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธแล้วก็ท่านเป็นผู้มีปัญญาเมื่อผู้อื่นชี้นาชักจูงในเหตุผลท่านก็จะเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจได้อย่างทันทีเพราะเมื่อมีสติมีปัญญาเข้าใจในคําอธิบายได้ก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้โดย ไม่ยากอะไรเรียกว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายโดยปกติแล้วเป็นคนที่มีความเคารพนะมีความเคารพเช่นว่ารักษาความเคารพเคารพบว่าผู้ที่ควรเคารพทั้งหลายมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นเนี่ยนะท่านท่านก็ดํารงมั่นอยู่ด้วยความเคารพและหนักแน่นอดทนเนี่ยนะเป็นคนที่มีความอดทนคือเรียกว่าไม่ไม่เอะอะโวยวายเป็นคนที่สงบสงี่ยมเป็นคนที่สงบสงี่ยมอ่อนโยน แล้วก็ฉลาดในปฏิสันทานเนี่ยนะฉลาดในการต้อนรับขับสู้ฉลาดในการปฏิสันทานทั้งธรรมะปฏิสันทานแล้วก็อามิตรปฏิสันทานคือฉลาดในการต้อนรับชื้อเชิญด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยที่พักที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัย แล้วก็ฉลาดในการต้อนรับในการกล่าวธรรมมีคาถาเนี่ยนะกล่าวถ้อยคําที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้ามาหาทั้งหลายคือท่านให้ประโยชน์เข้าได้ให้ประโยชน์ทั้งในส่วนอามิตและในส่วนธรรมะคือเพราะท่านเป็นผู้ฉลาดในปฏิสันทานเป็นคนที่ไม่โกรธเนี่ยนะก็เรียกมีเรื่องที่น่าโกรธท่านก็ไม่ใช่ว่าจะโกรธง่ายๆเนี่ยนะแล้วก็ไม่ผูกโกรธไม่ผูกใจเจ็บกับเรื่องอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอนะก็ไม่ลบหลู่ เขาเรีว่าประทุวงสลายคุณงามความดีของผู้อื่นเขาเรียกว่าอะไรนะลบหลู่ก็คือเป็นลักษณะเขามีคุณแล้วลบความดีของคนอื่นทิ้งหมดอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนที่ไม่ลบหลู่คุณงามความดีของผู้อื่นก็คือยกย่องในคุณงามความดีของผู้อื่นและก็ไม่ทําตัวตีเสมอกับผู้อื่นเนี่ยนะเขาเรามันก็พอๆกันนั่นแหละด้วยอำนาจมานะเป็นต้นไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ริษยาและไม่ตระนี นะไม่มีความริษยาในผู้อื่นเนะี่ยเช่นไม่ริษยาในลาบยศสรนเสริญเป็นต้นเนะี่ยกับผู้อื่นนั้นผู้อื่นมีคุณงามความดีก็ยินดีในคุณธรรมยินดีในคุณงามความดีของผู้อื่นไม่ตรนีนะเมื่อตัวเองมีมีทรัพสมบัติหรือมีความรู้ความสามารถเป็นต้นก็ไม่ตรนีที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นโดยพื้นฐานก็ไม่อ้วดเนี่ยนะไม่เป็นคนที่ โออวดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอวดหรือมีมายาโอ้อวดเนี่ยหมายวามว่าเป็นคนที่มีศรัทธาก็เที่ยวโว้ยโฆษณาโพนธนาตัวเองแปลว่าไม่โอ้อวดแปลว่าไม่ใช่นักโฆษณาตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนนักโฆษณาตัวเองไปที่ไหนก็เชิดชูแต่คุณธรรมของตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นและก็เป็นคนที่ไม่มีมายาคําว่าไม่มีมายาแปลว่าประกาศตนตามเป็นจริงถ้ามายาเนี่ยคือแสดงสิ่งที่ไม่มีจริงอย่างเช่นเคยเห็นมายากลไหม กลลวงของการแสดงที่ไม่มีอยู่จริงเช่นลิเกเป็นต้นเนี่ยเนี่ยก็พวกนี้ก็กลุ่มมายาอยู่แล้วเนี่ยนะกลุ่มมายาวงการแสดงทั้งหลายคือสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะไม่เช่ น, น, นมีเครื่องประดับเต้เนไปหมดมีปราสาทราชวังเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นต้นแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็คือในโลกของมายาเพราะท่านไม่ทำตัวเป็นคนมีมายาในลักษณะนั้นไม่อ้วดในสิ่งที่ไม่มีอยู่อยู่จริง แต่ก็อย่างว่าถึงมีอยู่จริงก็ไม่ใช่เที่ยวโฆษณาแต่เรียกว่าสรรพคุณของตัวเองเนี่ยนะว่าตัวเอง่ะโอ้ยเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้วิเศษเช่นนั้นพิเศษเช่นนี้ดีกว่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่แล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมมากแต่ว่าไม่กระด้างแล้วก็ไม่ถือตัวเนี่ยนะไม่กระด้างไม่ถือตัว แล้วก็ไม่มัวเมาเนี่ยนะไม่เมาในยศไม่เมาในวัยในชาติในตระกูลในศิลปะวิทยาฐานะนะไม่มัวเมาในความในวัยในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในหัวหน้าเป็นต้นก็ไม่ไม่ถือเอาสิ่งเหล่าใดเหล่าหนึ่งมาเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนหมายคือว่าเมื่อเราเกี่ยวข้องกับสัตว์อื่นเนี่ยนะสัตว์อื่นเขาก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่เราแต่ก็มีความอดทนเนี่ยนะคือเรียกว่าอดทนอยู่เสมอแม้กระทั่งว่าคนอื่นเขาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองอย่างไรก็มีน้ําอดมีน้ําทนเนี่ยนะก็คือมีความอดทน จากการสร้างความเดือดร้อนแห่งผู้อื่นก็เหมือนกับว่าไปอยู่กับหมูสัตว์ที่ไม่มีศีลสัตว์ผู้ไม่มีศีลก็สร้างความเสียหายให้สัตว์เหล่านั้นที่สร้างความเสียหายให้ท่านก็อดทนเนี่นะก็มีความอดทนต่อผู้ที่สร้างความเสียหายให้ขณะเดียวกันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความเสียหายให้แกสัตว์อื่นเนี่ยนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แกผู้อื่น อันตรายมีภัยเป็นต้นที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดในตำบลที่ตนอยู่อาศัยและที่เกิดแล้วย่อมสงบไปนั้นท่านผู้มีบุญเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ประสบความเดือดร้อนอันนี้เป็นอันนี้สองอ์อกอันหนึ่งเหมือนการของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะอยู่ที่ใดสถานถิ่นฐานบ้านช่องที่ท่านอยู่มีแต่ความสงบร่มเย็นไม่ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้มีบุญทุกมีประมาณยิ่งย่อมไม่เบียดเบียน คือไม่เหมือนกับพวกอยู่ในอบายเนี่ยนะคือหมายถึงว่าท่านไม่มีความทุกข์แบบเจ็บปวดแสนสาหัสระทมทรมานเช่นเป็นคนมีโรคเรื้อรังโรคประจําตัวที่สร้างแต่ความเดือดร้อนให้ตลอดชีวิตตลอดชาติเป็นต้นไม่มีเพราะฉะนั้นท่านไม่มีความทุกข์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโรคเรื้อรังที่สร้างที่เรียกว่าเจ็บปวดอยู่เสมอเป็นต้นไม่มี แล้วโดยปกติเป็นคนที่ถึงความสังเวชโดยประมาณยิ่งเป็นผู้ที่สังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชอยู่บ่อ ย, อยและเนืองเนืองนะสังเวาวัตถุแปกประการเนี่ยนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชไม่ว่าจะเป็นพวกกล่าวถึงนรกท่านก็สังเวชและกล่าวถึงเปรตอสุรกายหรือเห็นหมูสัตว์เดรัจฉานท่านก็มีความสังเวช และท่านก็ยังสังเวทต่ออะไรพวกทุกเนี่ยนะทุก์นะกในวัตฏะเป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาหรือทุกข์ที่จะมีต่อไปในอนาคตหรือทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาอาหารในปัจจุบันทุกขที่เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นต้นท่านก็มีความสลดสังเวทเนี่ยนะมีโอตตปะประกอบด้วยปัญญาพิจารณาว่าจะพ้นจากทุกขเหล่านี้ได้อย่างไรนนะมีวิธีเหล่าใดที่จะช่วยให้พ้นจากทุกขเหล่านี้ได้บ้าง เพราะฉะนั้นพึงทราบคุณวิเศษเหล่านั้นมีความเป็นทักษินยาบุคคลคือก็คุณธรรมที่เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาควรของต้นรับควรเชื่อเชิญเพราะท่านเป็นผู้เสมอด้วยบิดาของสัรพสัตต์ทั้งหลายเพราะถ้าจะไหว้ก็ไหวพระโพธิสัตว์ถ้าจะเคารพนบนอบเป็นต้นพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคนที่ควรเคารพเพราะท่านก็เหมือนกับพ่อแม่ของสัพพสัตต์ทั้งหลายนั่นแหละ อันนี้เป็นผลเป็นอา น, นิสงส์ที่พระมหาบุรุษได้ในภพ น, น, นั้นตามสมควรอันนี้หมายาว่าเมื่อท่านเกิดในภพใดาชาติใดาปางใดยอยู่ณนะที่ใดแห่งหนตบนาบลใดท่านก็จะได้รับอา น, นิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนี้เนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา อกิเลสน้อยเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนที่มีความเคารพสงบเสงี่ยมอ่อนโยนฉลาดในปฏิสนฐานแล้วก็ไม่มีอุปกิเลสความเศร้ามองครอบงำย่ายีในใจเพราะท่านไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่ตีเสมอไม่ริษยาตนีไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่กระด้างไม่ถือตัวไม่มัวเมาแล้วก็ไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความงมงายและประมาทไม่ใช่เป็นอย่างนั้น อันหนึ่งแม้คุณสมบัติเหล่านี้คืออายุสัมปทารูปสัมปทากุละสัมปทาอิสริยะสัมปทาอาธยะวัจนตาคือเรว่าเป็นคนที่พูดแล้วน่าเชื่อถือแล้วก็มหานุภาวตาอันนี้ก็เป็นอ น, นิสง์ อันนี้สงตรงนี้ยกตัวอย่างมาอีก6ประการเนี่ยนะคือสมบูรณ์ด้วยอายุสมบูรณ์ด้วยรูปสมบูรณ์ด้วยชาติตระกูลสมบูรณ์ด้วยอิสริยยศอาเทยวจนาตาก็คือเป็นคนที่มีคำพูดที่น่าเชื่อถือได้มหานุภาวตาก็คนที่มีอนุภาพมากอธิบายตามลาดับว่าอายุสัมปทานเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นท่านมีอายุยืนเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มีอายุยืน ตั้งอยู่นานในการเกิดนณะที่นั้นยังกุละสัมปทาตามที่เริ่มไว้ในอายุสัมปทานั้นให้ถึงที่สุดและสะสมกุศลไว้มากมายคือโดยรวมๆแล้วชีวิตของท่านเกิดณนะพบใดเนี่ยนะานจับเกิดมาแล้วอายุยืนถามว่าคนมีอายุยืนเอาอายุไปทำอะไรชีวิตเนี่ยสมมติ่มีชีวิตอยู่ได้อายุยืน50ปี60 7ิ80 90 100ปอยปีเป็นต้นเนี่ยถามว่าไอ้ชีวิต ห้าหกเจ็ดแปร้อปีเนี่ยเอาชีวิตเนี่ยทำอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตที่อายุยืนของท่านเนี่ยนะก็เพื่อที่จะสมาทานกุศลชีวิตอายุยืนยาวเท่าใดก็แปลว่าท่านทํำกุศลได้มากเท่านั้นนะคนที่มีอายุสั้นบางทีจะให้ทานซะหน่อยตายซะแล้วว่ามีใช่ไหมจะรักษาศีลหน่อยก็าตายแล้วเนี่ยนะจะเรียนธรรมะหน่อยอ้าวช็อกตายไปแล้วยังไง ทนพวกนี้ก็พวกอย่าอายุสั้นๆนี้ไม่ค่อยสำเร็จประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ตอนทำบาปเนี่ยโอยายอย่างไงก็ไม่ตายแต่พอจะเริ่มศึกษาธรรมะหน่อยก็จะตายให้ได้อย่างนี้เป็นต้น ไอ้พวกนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ท่านไม่ใช่กลุ่มนั้นมีชีวิตอายุยืนยาวเพื่อศึกษาและปฏิบัติมีอายุยืนยาวเพื่อให้ทานรักษาศีลเจริญบุญกุศลสร้างคุณงามความดีนั้นจนตลอดอายุเนี่ยนะสมาทานสร้างคุณงามความดีตลอดอายุเพราะฉะนั้นอายุยืนยาวเท่าใดแปลว่าท่านสั่งสมบุญไว้มากเท่านั้นเนี่ยนะถ้าคนอายุสั้นจะทําอะไรได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมจะทําอะไรได้สักเท่าไหร่ แต่ว่าคนที่มีอายุยืนยาวนั้นะ่ะสามารถที่จะสั่งสมประสบการเนี่ยนะสั่งสมประสบการในการให้ทานสั่งสมประสบการในการรักษาศีลสั่งสมประสบการในการเจริญเนคคัมมะเจริญสมถะวิปัสสนาเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาทดลองมากทดลองในการเจริญโดยแงย่มุมต่างๆ แล้วก็การเจริญเนี่ยมีการพัฒนามีการภาวนามีการเพิ่มพูนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะวันจนสามารถแยกแยะวินิจฉัยวิจัยออกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุให้ดำรงอยู่ได้อะไรเป็นเหตุแห่งความพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งการสร้างคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะก็มีการทดลองอวินิจฉัยวิจัยโดยแง่มุมต่างๆได้มากเพราะเป็นผู้ที่มีอายุยืนนั้นสามารถที่จะเจริญกุศลได้บ่อยได้ยาวแล้ว ต่อเนื่องเพิ่มพูนคุณภาพแห่งบุญกุศลเหล่านั้นอยู่เสมอนี่ต่อไปท่านชื่อว่าเป็นผู้มีรูปสัมปทาก็คือเป็นคนที่มีรูปงามเนี่ยนะรูปงามก็หมายว่าหน้าดูนะไม่ใช่ว่า โอ้ยไม่อยากเห็นหน้าเลยเนี่ยนะห àng, ่างๆหน่อยเถอะเนี่ยนะหลบๆกันได้ก็ดีเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะนั้นก็เป็นคนที่มีรูปงามหน้าดูก็คือหน้าดูก็แปลว่าอยากดูบ่อยๆอยากเห็นบ่อยๆเมื่อดูแล้วก็เลื่อมใสเนี่ยนะคือดูแล้วใจก็ไม่ขุนมัวบางคนนี่ยิ่งดูยิ่งเครียดเป็นต้นไม่แต่ท่านในหะ้ดูแล้วสบายใจคิดว่าแค่เห็นหน้าท่านก็สบายใจแล้วเหมนกันเพราะเป็นผู้นํามาซึ่งความเลื่อมใสเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจ เพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่น่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายใครที่ยึดถือรูปเป็นประมาณเนี่ยนะเรียกว่าให้ความสำคัญให้คุณค่ากับเรื่องรูปทั้งหลายท่านนี้เป็นผู้มีรูปที่ ที่น่ายกย่องมากนะถ้าใครจะอ้างเรื่องรูปรูปประพันธ์สันฐานท่านเนี่ยมีรูปงามน่าดูหน้าเลื่อมใสเพราะท่านเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสพบเห็นก็สบายใจเนี่ยนะเพราะคนก็ประสงค์ที่จะเห็นท่านได้อยู่ใกล้กับท่านแล้วจะได้มีความรู้สึกสบายใจอบอุ่นใจเป็นต้นเพราะท่านมีรูปสัมปทาต่อไปท่านกุศละสัมปทาเนี่ยนะนะกุศละสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยกุศล ถึงการเกิดแห่งกุศลอันยิ่งเพราะควรเข้าไปหาควรเข้าไปใกล้แม้เป็นผู้มัวเมาด้วยความมัวเมาด้วยชาติเป็นต้นด้วยกุศลสัมปาทาทําชนเหล่านั้นให้หมดพยศด้วยเหตุนั้นๆั้เครงตรงนี้อธิบายลักษณะว่าท่านนั้นเนี่ยนะใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยจะเจริญด้วยบุญเจริญด้วยกุศลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่ควรเข้าไปหาเมื่อผู้ใดเข้าไปหากุศลที่ยังไม่เกิดก็ ก็เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญอย่างเดียวก็คือท่านตั้งอยู่ในฐานะแห่งกาลยานามิตรนั่นเองนะดำรงอยู่ในฐานะแห่งกาลยานามิตรเพรา ะ, ะนั้นผู้ใดที่กลุ่มรุมอยู่ด้วยบาปอากุศลท่านก็ช่วยบําบัดขจัดแห่งบาปอากุศลของคนเหล่านั้นออกไปเพิ่มพูนบุญกุศลให้แก่เขาเหล่านั้นเพราะดํารงอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพราะท่านเนี่ยกุศลสัมปทา ถึงพร้อมเรียกว่าเป็นนักบุญนะเมื่อเป็นนักบุญเนี่ยผู้อื่นเข้าไปใกล้ท่านก็กลายเป็นนักบุญไปด้วยเพราะท่านนี่เป็นบัณฑิตเมื่อผู้อื่นเข้าไปหาเกี่ยวข้องกับท่านก็จะเป็นถึงความเป็นบัณฑิตไปด้วยต่อไปเชื่อว่าอิสริยะสัมปทาอิสริยะเนี่ยนะอิสริยะเนี่ยโดยสาวก็แปลอิสระถึงพร้อมด้วยความเป็นอิสระเพราะอะไรเพราะเป็นผู้มีสมบัติมาก เรีว่าคนรวยนี่ก็มีอิสระเนี่ยนะคนรวยก็มีอิสระคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตมีศักดิ์ใหญ่มียศสูงก็เป็นคนที่มีอิสระคนที่มีบริวารมากก็มีอิสระพราอิสริยะสัมปทาก็คือท่านเป็นอิสระเพราะมีสมบัติมากมีศักดิ์ใหญ่มีบริวารเยอะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนมีบริวารมีทรัพย์สมบัติมีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจมันเมื่อเมื่อมีอำนาจขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านเอาไปทําอะไร ท่านก็สามารถสงเคราะห์ผู้ที่ควรสงเคราะห์สามารถที่จะสงเคราะห์บุคคลอื่นสามารถที่จะสงเคราะห์สัตว์อื่นด้วยสังคหาัวตุทั้งหลายอันท่านสามารถสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยด้วยทานเนี่ยนะสงเคราะห์ด้วยวัตถุทานทั้งหลายสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยด้วยอะไรด้วยปิยวาจาเนี่ยนะกล่าววาจาเป็นที่ตั้งแห่งความรักแล้วก็มีอะไรอีก อัถจริยาเนี่ยนะก็คือสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นได้สำเร็จเนี่ยนะสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ขณะเดียวกันท่านยังมีสมานตะต า, ตามีการวางตนที่เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะพันธท่านจึงสามารถสงเคราะห์คนอื่นได้เนี่ยนะคือช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยปลดเปลื้องคนอื่นให้พ้นไปจากทุกข์ได้และก็ข่มคนที่ควรข่มโดยธรรมเพราะ เป็นผู้มีอิสริยสัมปทานนั้น น, นะเพราะเป็นคนมีอำนาจใช่ไหมคนที่มีอำนาจเนี่ยช่วยเหลือใครก็ได้แปลว่าเป็นคนที่ให้คุณให้โทษแก่คนอื่นได้เมื่อให้คุณให้โทษได้เนี่ยนะก็แปลว่ายกคนที่ควรยกได้ข่มคนที่ควรข่มได้เพราะท่านมีอิสริยสัมปทาต่อไปอาทยวจนตา อาทยาวัจนะตานั้นแปลว่าเป็นผู้ที่ควรเชื่อถือได้เชื่อถือได้ถือเอาเป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลายแปลภาษาไทยว่าบรรทัดฐานของสัตว์ทั้งหลายถ้าจะเอาใครเป็นประมาณหรือเป็นตัวอย่างเนี่ยนะเอาพระโพธิสัตว์นี่แหละเป็นตัวอย่างเอาเป็นประมาณในความเชื่อถือถามว่าเพราะอะไรเพราะคำสั่งของพระโพธิสัตว์นั้น่ะกลับกรอกไม่ได้เนี่ยนะคพูดคาไหนก็เป็น คำนั้นก็ถือว่าเป็นประมาณเป็นมาตรฐานอาธยวจนะตาก็คือเป็นมาตรฐานของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมาตรฐานทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นตัวอย่างเป็นคนที่เอาเป็นแบบเป็นแผนเป็นแบบอย่างก็เอาเนี่ยพระโพธิสัตว์เพราะท่านเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้เนี่ยนะเอาเป็นประมาณได้เป็นบรรทัดเอาไว้วัดเอาไว้ตรวจสอบได้เสมอ อันหนึ่งก็คือมหานุภาวตาเป็นผู้ที่มีอนุภาพมากมหาก็คือมากเยอะมีอนุภาพใหญ่คนอื่นครอบงำไม่ได้แต่ตนเองครอบงำคนอื่นได้โดยแท้แต่ครอบงำคนอื่นนีครอบงำโดยธรรมโดยสม่าเสมอครอบงาด้วยสุดจริตเนี่ยนะครอบงำด้วยสุจริตนะท่านมีอำนาจในสุจริตทำนะไม่ใช่มีอำนาจโดยอาธรรมแต่มีอานาจโดยธรรม ท่านจึงประพฤติโดยทําโดยสม่ําเสมออณเสมอทั้งกายเสมอทางวาจาและเสมอทางความคิดโดยท่านมีคุณธรรมตามเป็นจริงเพราะมีอนุภาพใหญ่คืออํานาจที่ท่านมีเนี่ยไม่ใช่มีอํานาจแบบอะไรนะเสือกระดาษเนี่ยนะอำนาจแต่เฉพาะในกระดาษอะไรเป็นต้นไม่ใช่แต่เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นผู้ทรงซึ่งอํานาจ น, นะนะเป็นคนที่มีบุญบารมีว่างั้นแต่เมื่อเป็นคนที่มีบุญบารมีนั้นจึงเป็นผู้ที่ส่งอำนาจมันสัมปทาทั้งหกประการไม่ว่าจะเป็นอายุสัมปทารูปสัมปทากุศลสัมปทาอิสริยสัมปทาอาทยาวจนะตามมหานุภาวตาอนุภาพหรือบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหมดของท่านนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะ อันนี้ก็เป็นอา น, นิสงค์ของการสร้างบารมี น, นะนนอานิสงค์ของการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขมมะอบรมปัญญาพอกพูนวิริยะานะมีความอดทนมีวาจาที่เป็นคำสัตย์คำจริงมีจิตใจที่มุ่งสมาทานอธิษฐานในการสร้างบุญกุศลมีเมตตาานะเพื่อประโยชน์สุขแก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีข้อผูกพันที่เรียกว่าอุเบกขา เนื่องจากว่าท่านท่านอยู่ด้วยคุณธรรมอยู่ด้วยคุณงามความดีนะดำรงมัน่นอยู่ด้วยอธิฐานธรรม4ประการสังคหาวั็ถุ4ประการด้วยบุญกุศลอย่างอื่นอีกมากมายเนี่ย ท่านก็จะเป็นคนที่มีอะไรบ้างอายุสัมปทาเกิดชาติใดปางใดก็อายุยืนยาวเป็นคนที่มีรูปสวยนะสร้างกุศลคุณงามความดีอย่างยิ่งช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นเจริญด้วยบุญกุศลท่านมีมีเดชมีอำนาจมีวาจาที่น่าเชื่อถือได้เป็นประมาณเป็นคนที่มีเอ่อเรียกว่าให้ความเจริญให้ความเสื่อมแก่บุคคลอื่นได้แต่ว่าอานาจของท่านทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ เหล่าสัตว์เพราะอย่าลืมว่าบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างที่ท่านทําก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะสัมปทาแปลว่าการถึงพร้อมด้วยอายุรูปกุศลอิสริยะอยัธยวจนะตามมหานุภาวตาเนี่ยนะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการเจริญบุญยสมภาระบุญยสัมภาระหาประมานไม่ได้เนี่ยนะ ที่จริงแล้วท่านถามว่าท่านอายุยืนเพื่ออะไรเพื่อจะได้สร้างบารมีนานๆานท่านมีรูปงามเพื่ออาศัยรูปนี่แหละจะได้สร้างบุญเนี่ยนะท่านถึงพร้อมด้วยกุศลสมามปทาก็จะได้เจริญกุศลให้มันยิ่งๆขึ้นไปมีอํานาจมากก็จะได้ทําบุญมากกว่าเดิมเนี่ยนะจะได้ทําบุญมากกว่าเดิมพูดแล้วคนเชื่อถือได้ก็เอาคําพูดที่น่าเชื่อถือได้นี่แหละเอาไปทําบุญให้มันยิ่งๆขึ้นไปเพราะมีอนุภาพเท่าใดก็สร้างบุญมาก เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีเพื่อสร้างบารมีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปและสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งการยังลงและความเจริญงกอก ง, งามแห่งสัตว์ทั้งหลายในยานสามเนี่ยนะเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจเจริญด้วยยานสามคือไรสุตตามะยะยานจินตามะยะยานแล้วก็ภาวนามะยะายาน ท, ท่านมีสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อสร้างคุณงามความดีเพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อให้กรุณาเนี่ยจเจริญแก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไป จนกรุณาเนี่ยนะพัฒนาจากอะไรนะปริตฐะเป็นมหคตะมหคตะระดับปฐมฌานเป็นทุติยฌานตัตยาาิยฌานแผ่ขยายอารมณ์แห่งกรุณานั้นหาประมาณหาที่สุดไม่ได้ด้วยอนุภาพของปัญญาที่เกิดร่วมกับกรุณานั้นวินิจฉัยความทุกข์ความยากความเดือดร้อนแห่งหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้แล้วก็มีปัญญาสังสมปัญญาจากปัญญาระดับธรรมดา กลายเป็นพัฒนาปัญญาที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตสามารถทิ้งรู้จริตอัธยาศัยอนุสัยอุปนิสัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายจนได้สัพพัญญุตญาณเพื่อเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นคุณงามความดีบุญกุศลที่ท่านสั่งสมเนี่ยเพื่อให้มีอายุยืนมีรูปงามเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยบุญกุศลมีฤทธิ์มีอำนาจมีวาจาที่น่าเชื่อถือได้ ก็เพื่อจะได้สงเคราะห์อนุเคราะห์มู่ศภาษ ท, ทั้งหลายให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์อา น, นิสงส์ของการสร้างบารมีว่าการสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับอา น, นิสงส์อย่างไรแปลว่ากําไรที่เกิดจากการสร้างบารมีอา น, นิสงส์เนี่ยแปลว่ากําไรเพราะฉะนั้นเอ๊ะให้ทานมากๆแล้วมีกําไรอย่างไร รักษาศีนมากๆและมีกําไรอย่างไรเจริญภาวนาเป็นต้นเนี่ยมีกําไรอย่างไหนมันน่าลงทุนขนาดไหนเพราะพระพุทธศาสนามองว่าการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นเป็นการลงทุนเนี่ยนะเป็นการลงทุนเพื่อผลกําไรแล้วก็กําไรเหล่านั้นเอากําไรเหล่านั้นมาทําอะไรจะได้มาลงทุนใหม่เนี่ยนะแต่ว่า ลงทุนทำอะไรก็คือลงทุนให้ทานเพื่อให้มีโพคะมีโพคะแล้วจะได้ให้ทานยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นต้นนั่นเองจะเป็นลักษณะนเนี่ยเป็นการสร้างบารมีเพื่อบารมีสร้างบุญเพื่อบุญสร้างบุญเล็กน้อยเพื่อบุญที่ใหญ่ๆจนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นบุญที่หาประมาณไม่ได้หาขอบเขตไม่ได้ไร้ขอบเขตที่จากัดเนี่ยนะไร้ขอบเขตก็ตรงนั้นไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องวัด เป็นประมาณพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นบุคคลที่หาผู้เสมอไม่ได้หาบุคคลเปรียบไม่ได้หาผู้อื่นช่างไม่ได้เนี่ยนะสมมุติถ้าเป็นตะช่างแต่ช่างโบราณมจะต้องมีสองข้างจะไปเอาสมมุติพระองค์นั่งอีกข้างแล้วเอาใครไปนั่งช่างอีกอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก็ไม่มีใครยกพระองค์ขึ้นพระองค์มีคุณธรรมที่ช่างไม่ได้เช่นนั้นเนี่ยนะ